วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย4สบสมีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้หยุดภารกิจการงานต่างๆทางโลกทางร่างกายเพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกัน มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจทั้งร่างกายและจิตใจก็ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนและเช่นเดียวกับจิตใจก็ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกไม่กังวลกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจต้องการดูแลต้องการความดูแลรักษาที่ถูกต้องถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องแล้วทั้งร่างกายและจิตใจก็จะอยู่อย่างริ่มเย็ยนเป็นสุข ภาศจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นนอกจากการดูแลร่างกายซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนนี้ทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเรายังต้องมีภารกิจทางด้านจิตใจที่เราจะต้องมาดูแลมากระทำกัน ส่วนใหญ่เราจะเอาเวลาไปให้กับการดูแลร่างกายและดูแลความสุขสิ่งที่ให้ความสุขกับร่างกายก็คือโลกธรรมสี่ได้แก่ลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลธภาชนิดต่างๆจนบางทีเราอาจจะลืม ไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจของพวกเราที่ต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับการดูแลเรื่องของร่างกายและเรื่องของโลกธรรมสี่พระพุทธเจ้าจึ ง, งสอนให้หยุดภารกิจทางด้านร่างกายไว้หนึ่งวัน เอาเวลามาทำภารกิจทางด้านจิตใจจึงได้ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมา mm hmm. ซึ่งในสมัยก่อนก็จะใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือการโคจรของดวงจันทร์เป็นเป็นหลักซึ่งเดือนหนึ่งก็แบ่งวันพระไว้เป็นสี่วันด้วยกัน คือวันที่วันขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าคำแล้วก็วันแรงแปดค่ำและวันแรงสิบห้าคำหรือบางเดือนก็สิบสี่ค่ำ<ม>เป็นวันพระก็คือตกประมาณทุกเจ็ดวันด้วยกันสัปดาห์หนึ่งก็จะมีวันพระอยู่ครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่า วันพระนี้จะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยวันใดวันหนึ่งเป็นประจำมีการเปลี่ยนไปตามการโคจรของดวงจันทร์อย่างเช่นวันนี้วันพระวันขึ้นสิบห้าค่ำนี้มาตรงกับวันอาทิตย์แต่พออาทิตย์หน้าวันพระคือวันแรมแปดค่ำก็จะไปตรงกับวันจันทร์ ก็จะไม่ไม่ได้ตรงกับวันอาทิตย์เสมอไปวันพระก็จะเลื่อนไปไดเรื่อยต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์เป็นวันอังคารเป็นวันพุธเป็นวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็กลับมาเป็นวันอาทิตย์อีกทีนี้ในยุคปัจจุบันนี้การธรมะหากิน การทำงานทำการนี้ได้เปลี่ยนวันหยุดการทำงานจากสมัยก่อนเราอิงวันพระเป็นวันหยุดทำงานแต่สมัยนี้เราทำงานที่เกี่ยวข้องกับนานาประเทศซึ่งนานาประเทศเขาก็ใช้วันหยุดทำงานเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์กันเราก็เลยทำตามเขา ก็คือเราทำงาเราหยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งถ้าวันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ตรงกับวันพระเราก็จะไม่ได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางด้านจิตใ จ, จกัน mm hmm. แล้วพอถึงวันที่เป็นวันพระที่ไม่ใช่เป็นวันหยุดครับเราก็มาวัดไม่ได้เช่นเช่นถ้า วันพระเป็นวันจันทร์เราก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดมาทําภารกิจทางด้านจิตใจได้ว่าเราจะต้องไปทํางานมันก็เลยจะทําให้เรานี้ขาดทุนในเรื่องของวันพระไปคือแทนที่จะมีวันพระได้ทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งวันนี้เราก็เนื่องจากที่มันไม่ตรงกับวัน วันหยุดทำงานของเราอันนานเราถึงจะเจอวันพระที่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเช่นวันนี้วันอาทิตย์นอกนั้นแล้วเราก็จะไม่มีวันพระเพราะว่าถึงแม้เป็นวันพระแต่เราก็ต้องไปทำงานทำการไปดูแลเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่คือมีอาหารมีเครื่องนุ่หม่ม มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมาดูแลก็จาเป็นที่จะต้องมีรายได้ต้องไปต้องไปทำงานกันเพื่อที่จะได้มีรายได้มาเลี้ยงดูร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรส โทธพระชนิดต่างๆเพื่อให้เราเกิดความสุขกันดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีวันพระกันอยู่ทุกอาทิตย์เราก็ควรที่จะเปลี่ยนวันพระคือให้ถือวันที่เราหยุดทำงานเป็นวันพระแทน ทำไมเช่นนั้นแล้วเราก็จะมีวันพระน้อยมากกว่าจะวันพระที่จะกลับมาตรงกับวันสาวันอาทิตย์ก็อีกประมาณเดือนสองเดือนด้วยกันช่วงนั้นเราก็จะไม่มีวันพระวันที่เราจะมาดูแลเรื่องจิตใจของพวกเราเพือ่อทําให้เราไม่ขาดทุนวันพระ <c oughs> คือมีวันพระอยู่ทุกอาทิตย์ เราก็ควรกำหนดวันพระขึ้นมาเองเพราะความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานนี้เเมื่อเราหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราจึงควรที่จะกำหนดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ให้เป็นวันพระวันที่เราจะได้เอามาใช้กับการดูแลจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้สำคัญกว่าร่างกาย หนึ่งร่างกายจิตใจนี้มีอายุยืนยาวนานกว่าร่างกายคือไม่มีวันตายพูดง่ายๆจิตใจนี้ไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มีวันตายจยูไปได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ร่างกายนี้ก็จะต้องสิ้นสุดลงและสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อดูแลร่างกายและ ดูแลความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะหมดสิ้นไป<ม>พอร่างกายตายไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่บุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย <c oughs> อะไรก็ตามต่างๆที่มีจะเป็นยศถาบรรดาสัก์เกียรติยศตำแหน่งอะไรต่างๆ<ม>หรือรางวีรางวัลการ การสรรเสริญยกย่องยืนยอด้วยการให้รางวีรางวัลให้เหรียญทองเหรียญอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แลวความสุขที่ไดจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดถพระชนิดต่างๆก็จะสิ้นสุดลงแต่ใจนี้ไม่ได้สิ้นสุดตามร่างกายไปใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเป็นสิ่งที่ ต้องอยู่ต่อไปและการจะอยู่ต่อไปของใจนี้ก็อยู่ที่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำใจให้มีความสุขหรือทำใจให้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเพราะความสุขและความทุกข์ทางใจที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันจะเริ่มทำงานเริ่มแสดงผล หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วตอนที่ใจนี้เป็นดวงวิญญาณใจเวลาที่มาครอบครองร่างกายเราก็เรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดใจนี้มีความสามารถอยู่5ประการด้วยกันมีความสามารถในตัวของเขาคือหนึ่งเขาเป็น มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายได้เวลาที่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้สามารถไปครอบครองร่างกายได้ใจก็จะมีความสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกดลิ่นรสผธพะชนิดต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูก น, นิ้นกายเพื่อส่งมาที่ใจรับมาที่ใจให้ใจเป็นผู้รับรู้ว่าตอนนี้ได้มีรูปเสียงกดลิ่นรสผลพะชนิดนั้นชนิดนี้ปรากฏผ่านทางร่างกาย mm. แล้วก็มีความสามารถที่จะมีความแยกแยะ ลืมจำได้หมายรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กับรูปเสียงกิ่นรสชนิดต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะคิดที่จะนึก ท, ที่จะคิดว่าควรจะทำอะไรอย่างไร นี่คือเรื่องของความสามารถของธาตุรู้หรือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขต่างๆถ้าเป็นใจที่ไม่ฉลาดใจที่ไม่รู้เรื่องความจริงของ ของใจว่าใจต้องการความสุขแบบไหนก็มักจะไปหลงกับการไปหาความสุขผ่านทางร่างกายซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่แน่นอนเป็นความสุขที่เปลี่ยนไปตามภาวะเหตุการณ์ต่างๆของของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะท่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำให้เกิดการมีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เกิดความเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็เดือดร้อนไปกับทุกขเวทนาเพราะว่าใจนี้ไม่ต้องการที่จะเสพสัมผัสกับทุกขเวทนา คือไม่ต้องการเสพสัมผัสกับความความทุกข์ mm hmm. ความรู้สึกทุกข์ mm hmm. เช่นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา mm hmm. หรือเวลาที่สูญ mm hmm. เสียรูปเสียงกลิ่นรสกฎพเพที่รักที่ชอบไป mm hmm. ใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. ความสุขที่ แสวงหานั้นก็กลับกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะใจไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของความสุขต่างๆที่ใจไปแสวงหาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาคิดว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะให้สุขกเวทนาไปตลอด แต่สุขเวทนาจากสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสุขเวทนาไปตลอดเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็มีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ใจที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีความความรู้ ที่มองไม่เห็นถึงความเสือ่อมของโลกธรรมที่ใจไปแสวงหาความสุขด้วยก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเวลาที่เวลาที่ไปเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปเจอกับการเสื่อมของสิ่งที่เคยให้ความสุขกับใจนั่นเอง อ, อันนี้เป็นเรื่องของใจที่ไม่ฉลาด ส่วนธาใจที่ฉลาดนี้ใจจะรู้ว่าการไปหาความสุขผ่านทางร่างกายการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้ชนิดต่างๆนี้จะต้องนำไปสู่ความทุกข์กไม่ชา้าก็เร็วเพราะว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่แน่นอนที่ท่านเรียกว่าอ น, นิจจัง มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปยิ่งโลกธรรมสี่จึงเป็นโลกธรรมแปดขึ้นมาเป็นแบ่งเป็นสี่คู่ด้วยกันราบนี้มีทั้งเจริญส่วนส่วนเจริญมีเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดาเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดาเจริญสรรเสริญก็ต้องมีการเ จ, เจริญ นินทาเป็นธรรมดาเจริญสุขก็จะมีเจริญทุกข์เป็นธรรมดามีเป็นของสลับกันไปก็อยู่มีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาลาบเจริญก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเวลาลาบเสื่อมลงไปก็เกิดความท sociedad, Bref, ุกข์ขึ้นมาเวลามียศเจริญยศก็มีความสุขกันเวลาเสื่อมยศก็มีความทุกข์กัน เวลาได้รับการสารรเสริญยกย่องเยือนยอก็เกิดความสุขกันเวลาได้รับการตำหนิติเตียนก็กลายเป็นความทุกข์ไปความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดเวลามันหมดไปหรือเวลามันเปลี่ยนไปความสุขนั้นก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือธรรมชาติของ <c oughs> สิ่งต่างๆที่ใจที่ไม่ฉลาดจะ ใจที่ฉลาดจะรู้รู้ว่าความสุขในโลกนี้ความสุขจากโลกกระทำนี้ความจริงแล้วมันเป็นความสุขที่คุ้มห่ อ, อความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนกับยายาขมเคลือบน้ําตาลยาขมที่มีน้ําตาลเคลือบเวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็จะมีรสหวานน่ารับประทานแต่พอน้ําตาลที่เคลือบยาขมนั้นหมดไป รดของความขมก็จะปรากฏขึ้นมาชั้นใดก็ชั้นนั้นความสุขของโลกธรรมก็เป็นเหมือนความสุขที่เป็นขิวที่เคลือบความทุกข์อยู่จะลอให้ความสุขนั้นจางไปพอความสุขจางไปความทุกข์ของโลกธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาคนฉลาดจึงรู้ว่าใจที่ฉลาดจึงรู้ว่าไม่ควรที่จะไปแสวงหา ความสุขทางร่างกายไม่ควรจะไปแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเส ร, ริญสุขกันเพราะว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็ เ, เร็วเนื่องจากลาบยศสารเส ร, ริญสุขนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเวลาเกิดการเสริมเกิดการหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาแล้วปราชจึงคนที่ฉลาด ที่รู้ว่าความสุขเหล่านี้เป็นเป็นความทุกข์ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปค้นหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบใจนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดปรุงแต่งคิดถึงส่วนใหญ่ก็จะคิดไปทางโลกธระท8ปโลกธระท4สี คือคิดไปหาลาบยศสารเสริญคิดไปหารูปเสียงกดลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะนี่เป็นเป็นเหมือนเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขให้แก่จิตใจที่ไม่รู้จักว่ามันเป็นความทุกข์แต่สำหรับผู้ที่มีความสังเกตมีปัญญาก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้จาก โลกกรรมนี้มันเป็นความสุขที่ประเดียวประดาวได้นานมาแล้วเดียวไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดไปหายไปแล้วก็พอมันหมดไปหายไปความสุขที่ได้จากมันก็จางหายไปตามมาด้วยความรู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลียวเดียวดายรู้สึกขัดนะขาดนู่นขัดนี่ขึ้นมาในใจไม่อิ่มไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกอิ่มพอก็ จำเป็นที่จะต้องคิดหา <c oughs> หาโลกหารายกยศฉละเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาคอยเสพอยู่เรื่อยๆนั่นเอง <c oughs> ใจของคนที่เสพโลกธรรมนี้จะมีแต่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการหาโลกธรรมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ใจเลยก็ไม่ใจเลยไม่เคยพบกับความสงบเลย <c oughs> ไม่เคยอยู่นิ่งๆเฉยๆเลย <c oughs> ซึ่ง สำหรับใจสำหรับคนบางคนนี้เขามีความสามารถที่จะควบคุมความคิดของเขาได้หยุดความคิดของเขาได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวและเวลาที่เขาหยุดคิดได้เขาก็ได้พบกับความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสกับโลกธรรมต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เขาเริ่มค้นพบว่ายังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผล ภ, ภัณมาให้ความสุขกับเขาเขาเพียงแต่ <c oughs> หยุดความคิดของเขาให้ได้ควบคุมความคิดทำความคิดของเขาให้หยุดได้ <c oughs> เขาก็จะได้ พบกับความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เองซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งค้นพบในขณะที่ยังทรงพระเยาว์อยู่วันหนึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายศิทธัตถะอยู่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่ตามลำพังพวกบริษัทบริวารที่คอยห้อมล้อมคอยรับใช้ ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นเลยปล่อยให้พระ อ, องค์ประทับอยู่ตามลําพังพอพระองค์อยู่ตามลามพังไม่มีสิ่งอะไรมากระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรต่างๆใจของท่านใจของพระ อ, องค์ก็ทรงสงบลงโดยอาจโดยที่ไม่ได้ไปสั่งไปบังคับมันอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาดีตชาติเคยได้ผลกฝนการทําใจให้สงบให้นิ่งมาก่อนแล้ว พออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใจต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็หยุดคิดชั่วคราวพอหยุดคิดชั่วคราวก็เกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาภายในใจอันนี้ก็ถ้าใครมีมีมีประสบอาการอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกิน mm. ลดโสดภะต่างๆมาให้ความสุขด้วยเยงแต่อยู่เฉยๆไม่คิดถึงเรื่องอะไรเท่านั้นเองใจก็นิ่งใจก็สงบเกิดความสุขขึ้นมาแต่ยังเป็นความสุขแบบที่ชั่วคราวอยู่พอสงบได้สักพักหนึ่งแล้วความคิดก็โผล่ขึ้นมาใหม่พอความคิดโผล่ขึ้นมาความสงบที่ ได้จากความไม่คิดมันก็หายไป mm hmm. ก็เกิดความคิดที่จะคิดไปในทางโลกกระทมอยู่ mm hmm. คิดอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าอยู่ต่อไป mm hmm. แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทำให้ความคิดที่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสพ้าชนิดต่างๆ mm hmm. หาความสุขจากโลกธรรมนี้ห mm hmm. ยุดชะงักขึ้นมาได้ ก็คือการที่พระองค์ได้สรงไปออกไปทอดพระเนตรไปเที่ยวนอกพระราชวังโดยที่ผัดเืนคำสั่งของพระราชบิดาพระราชบิดาห้ามไม่ให้เจ้าชายออกไปนอกพระาชนอกเขตพระราชวังเพราะไม่ต้องการให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตก็คือการได้ไปการที่ได้ออกไปแล้ว ไปเห็นสิ่งต่างๆเห็นความจริงศัจธรรมของชีวิตก็คือไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นคนตายเห็นนักบวชที่เราเรียกว่าการเห็นเทวทูตสี่เป็นการเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่มาทำให้จิตใจนี้ต้องหยุดชะงัก ถึงกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการหาความสุขจากราบยศสารเสริญสุขอันเพราะว่าเมื่อเกิดเมื่อร่างกายได้เข้าสู่ความชราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>เข้าสู่ความตาย<ม>การที่จะไปหาความสุขจากโลกธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยากและเราก็จะเป็นไปไม่ได้ในในที่สุดเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายไป อันนี้มันจึงทําให้ <c oughs> พระองค์มีเหตุที่จะมาคอยประกาศกั้นความคิดที่จะไปหาความสุขจากโลกประทังจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าทรงรู้ว่าต่อไปในอนาคตร่างกายของพระองค์เองก็จะต้องมีแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะต้องตายไป แล้วก็สิ่งที่เห็นที่เรียกว่าเทวทูตอันที่สี่ก็คือเห็นนักบวชก็สงทรา ว, ว่านักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไปหาความสุขอี ก, อกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็คือการไป ฝึกสมาธิไปทาจิตใจให้สงบนั่นเองเมื่อ mm. ได้เห็นนักบวชแล้วก็ทรงเห็นช่องทางว่าการที่จะหลุดออกจากความทุกข์ของ mm. การเกิดแก่เจ็บตายนี้จา mm. เป็นที่จะต้องไปในทางของความสงบของใจ mm. ก็เลยทรงตัดสินพระทัยที่จะออกบวช แล้วเมื่อถึงเวลาก็ได้บวชตามความปรารถนาในขณะที่มีอายุ29ปีด้วยกันแล้วก็พอไปบวชแล้วก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็รู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้สงบด้วยการเพ่งอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าสติไก้สติเพ่งดูลมหายใจเข้าออก โดยใช้การเพ่งดูคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นก็สามารถทําใจให้นิ่งสงบให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยโลกธรรมคือไม่ต้องมีลาบยศจารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงจิตลดโสดภะชนิดต่างๆมาให้ความสุขสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้อยู่แบบขอทานแต่ ใจมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่เป็นพระราชโอรสอยู่ในพระราชวัง<ม>แต่ก็เป็นความสุขเชื่อขณะที่อยู่ในสมาธิ<ม>แต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดใจก็จะเริ่มไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเช่นไปคิดถึงความแก่ที่จะตามมาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตาย ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นหน่อยเพราะตอนนั้นใจยังหลงไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวตัวตัวเราของเราเป็นเป็นของใจใจคิดว่าใจเป็นร่างกาย <c oughs> คิดว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายก็เลยอยากจะหาวิธีว่าทำอย่างไรจะทำให้ใจนี้สงบไม่มีความทุกข์ ตลอดเวลาเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยวิธีด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็สงค้นพบว่าสาเหตุของความทุกข์ใจที่เวลาไปคิดถึงเรื่องความเสื่อมต่างๆคิดถึงความเสื่อมของร่างกายคิดถึงเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายใจก็เกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาบาคนเพราะว่ามันเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้ใจเป็นร่างกายแต่ความจริงแล้วใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นาธาตุรู้ร่างกายเป็นาธาตุสี่หรือาธาตุดินน้ำลมไฟที่มีรมารวมตัวกันผสมกันแล้วก็ผ <c oughs> ลิตอาการสาสิบสองขึ้นมาแล้ววันหนึ่งอาการสามสิบสองนี้ ก็จะต้องสิ้นส e ุดลงเมื่อธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันเริ่มแยกแยกออกจากกันเวลาธาตุลมหยุดทํางานธาตุลมไม่เข้ามีแต่ออกร่างกายนี้ก็จะเริ่มแยกตัวทันทีพอสิ้นลมเมื่อไหร่ร่างกายก็จะนับถอยหลังร่างกายก็จะค่อยๆค่อยๆเสื่อมค่อยๆหายไปธาตุลมไปก่อนแล้วตามด้วยธาตุไป ตามด้วยธาตุน้ำที่เหลืออยู่ก็เป็นธาตุดินไปมาสองพิจารณาก็เริ่มเห็นเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังก็คือเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่มาประกอบ กับร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่มาประกอบเป็นร่างกายก็เป็นก็คือธาตุสิ่งนี่เองได้แก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันแล้วความทุกข์ของใจก็เกิดจากการที่ไปมีความอยากอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองพะเกิดความอยากที่เป็นไปไม่ได้ ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมาความอยากนี้ถ้าเวลาอยากแล้วได้มันก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ความอยากนี้บางทีไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเช่นไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พอไปเจอกับ ความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายใจก็ทุกขึ้นมาทันทีเพราะใจไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกาย น, นั่นเองแต่หลังจากที่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้พิจารณาดูร่างกายแยกแยะร่างกายดูการมาของร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นร่างกายเริ่มต้นด้วยธาตุสีของพ่อกับของแม่มารวมกัน ธาตุสี่พ่อพ่อแม่ก็พ่อพ่อก็มีธาตุสี่รวมอยู่ในน้ำหยดหนึ่งแม่ก็มีธาตุสี่อยู่ในอยู่ในคันพอมาผสมกันแล้ว ก, ก็ทำให้เกิดการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมากลายเป็นอาการสามสิบสองตามลำดับต่อมาแล้วก็คลอดออกมาจากจากท้องแม่ก็เริ่มเติมธาตุด้วยตนเอง หายใจเองเติมธาตุน้ำเองเติมธานเติมเติมธาตุลมเองเติมธาตุน้ําเองด้วยการดื่มนมดื่มน้ําต่างๆแล้วก็เติมธาตุดินที่มีผสมอยู่กับในน้ํานมก็เริ่มเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการตาะด้วยการเติมธาตุทั้งสี่ก็ดินน้ํานมไปให้กับร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายก็เจริญเติบโตไปตามตามธรรมชาติของร่างกาย S <S ร่างกายนี้มีการเจริญเติบโตแล้วเมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มมีการเสื่อมลงไปมีการเจริญเป็นธรรมดาแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วในที่สุดก็จะถึงจุดวาระของการแตกแตกของธาตุทั้งสีแยากการแตกแยกของธาตุทั้งสี่ธาตุลมหยุดทำงานธาตุลมเริ่มแยกออกไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้า ล้าก็เหลืออยู่แต่ธาตุดินถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีไข่มีแต่อาการสาสิบสองที่ประกอบมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สามารถสรุปได้าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ก็ไม่มีตัวตนต้นไม้ก็มีธาตุสี่ทำมาจากธาตุสี่มีธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟ ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วต้นไม้นวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องตายไปเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่ประกอบขึ้นด้วยด้วยธาตุสีนี้มีเมื่อมีการเจริญแล้วก็จะต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ผู้ใดไปหลงไปยุึ์ไปติดว่าเป็นตัวเราของเร า, เราก็จะเกิดความอยากให้มันอยู่ไปกับเราไปนา น, าน เพไม่อยากจะให้มันจากเราไปไม่อยากจะหรือบางทีก็คิดว่าเราไปเป็นมันเข้าเช่นธาตุรู้ของพวกเรานี้มาครอบครองร่างกายนี้แล้วก็มายึดมาติดมามาถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราขึ้นมาเพราะว่าธาตุรู้เองนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตานั่นเองพอได้ร่างกายมาเป็นเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้ก็เลยไปหลงคิดว่าคนรับใช้นี้เป็นตัวเป็นตัวเราเอง คจริงเราเป็นเราเป็นเจ้านายร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราอีกทีนึง <c oughs> เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรตามตามคำสั่งของเรา <c oughs> แต่ผู้ร่างกายนี้มันก็ทําตามคําสั่งเราของเราได้ในและในระดับหนึ่งถ้าเหนือกว่านั้นถ้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายนี้เราสั่งยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้ ห้ามให้มันไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายแต่ถ้าเราเคอยฝึกสมาธิเวลาที่เราเข้าสมาธิใจของเรานี้กับร่างกายนี้จะแยกออกจากการชั่วขาว่าวดังนั้นร่างกายก็จะไม่ได้อยู่ในความรู้สึกนึกคิดไม่ได้อยู่การรับรู้ของใจในขณะที่ใจสงบ ถ้าใจมีการฝึกสมาธิแล้วแยกร่างกายาแยกร่างกายออกจากใจได้ในช่วงอยู่ที่สมาธิใจก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันแล้วพอเวลาออกจากสมาธิมาพอใจกับร่างกายมารวมกันก็จะเริ่มใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ร่างกาย ใจเป็นเพียงผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็มาใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆตามความหลงตามความอยาก<ม>คือยังยะเคยหาเคยเคยใช้ร่างกายหาความสุขจากลาบยศรเสริญสุกอยู่ก็จะใช้ไป<ม>แต่พอได้มาพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความอยากที่จะไปใช้นั้นก็ยังไม่ได้ตายไปเพราะการทําใจให้สงบนี้ไม่ได้ไปกําจัด ความโงความอยากที่จะหาความสุขจากโลกธรรมสีสิ่งที่จะมาทำให้ใจหยุดจากการไปหาความสุขจากโลกธรรมสีนั้นก็คือการมีปัญญาการไปเห็นว่าโลกธรรมสีนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้พอเราเห็นด้วยปัญญาต่อไปความอยากที่จะไปหาความสุขจาก รูปเสียงกินรสหาความสุขจากโลกธรรมก็จะหายไปก็จะหยุดไปหมดไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนทบนท่นได้ท่งตัดสรู้ส่งตัดสรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ใช่คือร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเพียงแต่มาสายร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการไปหาความสุขจากโลกธรรมสี่นี้เท่านั้นเองแต่เมื่อใจสามารถพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งร่างกาย<ม>แล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่าร่างกายนั้นก็ไม่ใช่ใจ<ม>ในร่างกายนี้หาใจไม่มีในร่างกายมีแต่อาการทางสิบสองมีแต่ธาตุสี่ดินน้นลไมไฟ<ม>ก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนก็เลยรู้ว่า ร่างกายนี้ไปไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปยึดไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นเรื่องของเขาอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ mm. กฎของตรายักษ์นี่ mm. คือกฎของอ น, นิจจัง mm. เกิดมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการจะเสื่อมเป็นธรรมดา mm. ถ้าอยากไปให้เขาไม่เสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm. อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสเอง อาจจรู้อริยสัจ ส, สี่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนต้นถ้าต้องการที่จะให้ความทุกข์นั้นหายไปหมดไปก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ตายการที่จะหยุดความอยากไม่เจ็บไม่ไม่แกไไ่ไม่ตายนั้นก็ต้องเห็นว่าธรรมชาติของร่างกายเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครไปห้ามเขาได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ จะไปห้ามไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้แดดออกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการปรากฏการทางธรรมชาติฉันใดร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปห้ามได้ถ้าไปอยากถ้าไปห้ามอยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดสร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าถ้าเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีทางที่จะยับยั้งมันได้ก็หยุดมันเสียหยุดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้มันตายพอหยุดมันได้ใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปแล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้หยุดการที่จะกลับมามีร่างกายต่อไปได้ด้วยเพราะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการมีมีร่างกายก็จะทําให้เกิดมีความทุกข์ตามมา ทุกครั้งที่ยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆอยใจก็ยังจะต้องไปมีร่างกายดังนั้นถ้าถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้ ม, มีมามีร่างกายกันเหตุที่พาใหม้มามีร่างกายกันก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ เพราะว่าลาบยศรเสริญสุขนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกในโลกกธาต น, นี้และการจะมีความสุขจากลาบยศรเสริญสุขได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเรามีความอยากกระเสพกามเสกรูปเสียงกิดลดผลัพอะเราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายไม่เสกนั่นเองแต่ถ้าเราเลิกเราหยุดความอยากที่จะไปเสก ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะได้ด้วยปัญญาและด้วยสมาธิสมาธิก็เวลาเวลาจิตสงบจิตก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วก็เห็นด้วยว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่อนอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ ในเวลาที่ไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการที่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากกามกุลห้านี้จะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปใจเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ใจก็จะหยุดเส็มันได้ เสพอยู่กับความสงบด้วยการเสพอยู่กับความนิ่งเฉยของใจความไม่มีความอยากนั่นเองก็เลยทำให้เห็นว่าความความไม่มีความสุขหรือความมีความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากก็ดจากความอยากที่จะได้ความสุขอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสกแต่พอได้มาแล้วรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็กลับกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันเป็นของไม่มันมี เป็นของชั่วขาวมันมีเกิดแล้วมันมีดับไปได้มีมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้ก็เลยเห็นว่าความสุขของใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจไม่มีความอยากไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาพะแล้วก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้มีความอยากกับความสงบของใจความสงบที่ได้จากการเข้าสมาธิเข้ารูปปรจชานหรือเข้าอารูปปัจาน อันนี้ก็เป็นขั้นต่อไปหลังจากที่ได้ระงับความความอยากจะเสพการมคุณห้าแล้วก็ยังมาติดอยู่กับความอยากจะเสพสมาธิเสพความสงบอยู่ก็จะเห็นเหมือนกันว่าการเสพความสงบสุขของสมาธิของรูปปัจจานหรืออรูปปัจจานนี้ก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะว่ารูปปัจจานหรืออรูปปัจจานก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากจะต้องเจอกับความทุกข ก็จะต้องไม่ไม่ต้องระ ง, งับความอยากที่จะเสพรูปประชานหรืออรูปประชานเหมือนกับการที่ระ ง, งับความอยากที่จะไปเสิร์บรูปการมคุณหคือรูปเสียงกินลดผลตถพภะ mm. แล้วคือโดยสรุปเม mm. ื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะเห็นว่าความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากที่อยากจะเสพรูปเสียงกิ่นลดก็ดีเสพความสงบของรูปประชานก็ดีของอารูปประชานก็ดีนี้ มันจะทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้เศษนั่นเองเวลาอยากให้ใจสงบแล้วมันไม่สงบมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในที่สุดก็เลยสรุปว่าการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจนี้ mm hmm. ก็ต้องไม่อยากกับอะไรเลย mm hmm. ไม่อยากกับรูปเสียงจิตลดปวดตพระไม่อยากกับรูปประชานไม่อยากกับรูปประชาเพราะว่าการไปอยากมันก็จะทำให้ใจทุกทาให้ใจไม่สงบ mm hmm. ถ้าอยากให้ใจสงบตลอดไม่ทุกข์กับอะไรเลยก็เลิกเสพทั้งสามอย่างเลิกเลิกเลิกเสพกกามคุณหเลิกเสพรูก ป, ประชานเลิกเสพว่ลูกประชานพอเลิกความอยากทั้งหมดได้ใจก็จะนิ่งเฉยไปตลอดไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้ใจรู้สึกหิวรู้สึกว่าอด รู้สึกว่าไม่มีรู้สึกว่าขาดนั่นขาดนี้ก็คือความอยากนี่พอเวลาอยากด้วยนู่นอยากได้นี่ก็รู้สึกว่าใจนี้มันไม่อิ่มไม่พอเสียแล้วแล้วพอได้อะไรมามันก็ให้ความรู้สึกอิ่มพอเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะสิ่งต่างๆนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอไปได้ตลอดมันไม่มันไม่สามารถที่จะทําให้ความอยากหายไปได้แต่มันกลับเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจนี้ เกิดความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยเมื่อสิ่งที่ให้ความอิ่มความพอมันจางหายไปความหิวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยวิธีที่จะหยุดความอยากความหิวไม่ให้โผล่ขึ้นมาก็คือต้องอยาาไปหย่าไปอยากอย่าไปทำตามความอยากอันนี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก โลกทั้งสามคือการมาพบรูประพบและอรูประพบนี้ไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรได้ไม่ใช่พระนิพพานถ้าอยากจะได้พระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวรก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ไม่ไม่ไปเสกไม่มีความอยากจะเสกการมาคุณห้าไม่มีความอยากจะเสก ร, รูปประชานไม่มีความอยากจะเสกอรูปประชานเมื่อสามารถเห็นและเข้าใจ ก็หยุดความอยากได้เพราะเวลาอยากจะเสพกาบคุณห้างก็ไม่เสพเวลาอยากจะเสพลูก ป, ประชางก็ไม่เสพเวลาอยากจะเสพมะลูประชังก็ไม่เสพพอไม่เสพความอยากต่อไปมันก็หายไปหมดเหมือนคนที่เคยเคยเสพของบางอย่างเช่นเครื่องดื่มบางชนิดเช่นเป็นกาแฟอย่างนี้ถ้าเคยดื่มกาแฟแนละ้วมันก็จะเกิดความอยากดื่มกาแฟไปทุกครั้ง พอมันดื่มวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะดื่มอีกพอดื่มอีกมันก็จะเกิดความอยากที่จะดื่มต่อไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะหยุดไม่อยากจะไม่ต้องมามีความอยากจะดื่มกาแฟทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มกาแฟเราก็อย่าไปดื่มมันนั่นเองพอเราไม่ไปหดดื่มมันต่อไปความอยากนั้นมันก็หมดไปแล้วคนที่คิดว่าแล้วถ้าเราไม่เราไม่มีความสุขจากกาแฟแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรก็ดูคนที่เขาไม่ดื่มกาแฟดู คนที่เขาไม่ดื่มกาแฟเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขได้เขากลับอยู่อย่างสบายแต่คนที่ต้องดื่มกาแฟคนที่ดื่มกาแฟก็ต้องคอยไปหากาแฟมาดื่มอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่ต้องดื่มกาแฟนี้เขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องไปหากาแฟมาดื่มมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟเขาก็ไม่เดือดร้อนอย่างไรฉันใดความสุขของพระนิพพานก็แบบนั้น คนที่เสพกามอยู่ก็อาจจะคิดว่าถ้าไม่เสพกามแล้วจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเวลาไม่ได้เสพกามนี้มันรู้สึกทรมานเพราะในช่วงที่มันทรมานนั้นมันเป็นช่วงที่มีความอยากความอยากนี้มันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจแต่ถ้าเรามีกําลังที่จะฝืนสู้กับความอยากไม่ไปทําตามความอยากได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากมันก็จะหมดกําลังไปพอวความอยากหมดกําลังไปใจก็สงบเยน็นสบาย แล้วก็มีไม่ต้องไปเสกการมาคุณห้าก็ได้อยู่แบบไม่ต้องเสกกรมคุณห้าก็ได้อยู่เฉยๆได้การที่จะอยู่เฉยๆได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่นักปฏิบัตินี้พยายามทํากันอยู่ก็คือการฝึกฝึกสติทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขานั่นเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญในเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะมาใช้ต่อสู้กับความอยาก ถ้าไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิทำใจให้รวมสงบนิ่งเป็นอุเบกขาใจนี้จะไม่มีกำลังเวลาที่เกิดความอยากจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้แตถ่ถ้าใจที่ได้มีฝึกสติได้นั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดมีอุเบกขาขึ้นมาในใจได้อยู่นิ่งเฉยเฉยได้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้าใจมีมีกลังแบบนี้ แล้วเวลาเลามาพิจารณาทางปัญญาและพิจารณาเห็นว่าการไปทําตามความอยากต่างๆนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็พอเกิดความอยากก็ใช้กําลังของอุเบกขานี้ประกอบกับปัญญาความรู้มาสอนใจว่าเราต้องไม่ทําตามความอยากอยากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราก็ต้องไม่เสดอยาก อยากได้สมาธิอยากจะเข้ารูปประชานก็ไม่เข้าอยากจะเข้าอรูปประชานก็ไม่เข้าเราสามารถอยู่แบบมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องใช้การมคุณหไม่ต้องใช้รูปประชานไม่ต้องใช้อรูปประชานถ้าเรามีปัญญาที่จะเห็นว่าการมคุณหก็ดีรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีก็ยังเป็นไตายลักษณอยู่นั่นเองยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับ าการมุคคลห้าไม่อยากจะทุกขกับรูปประชานหรือรู ป, ปรชานเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องฝืนความอยากนี้ให้ได้ต้องเอาชนะความอยากอย่าไปทำตามความอยาก อ, อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะอยู่กันอย่างสุขสบายไม่วุ่นวายกับอะไรต่างๆไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมาฝึกก็คือจิตใจของพวกเราจิตของเราให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาให้ได้และการจะทําให้จิตมีอุเบกขาได้นี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเราต้องฝึกสติคอยเพื่อเอาสตินี้มาคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมความอยากอย่าปล่อยให้ใจไปคิดไปอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าปล่อยให้คิดให้อยากแล้วเดี๋ยวความอยากความคิดนี้มันจะต้องพาให้เราไปทําตามความอยากทําแล้วมันก็จะติดก็จะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ทําก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆทําใจให้นิ่งให้สงบได้เวลาที่เกิดความอยากนี่เราจะไม่รู้สึกเครียดเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดถ้ารู้สึกเครียดรู้หงุดหงิดก็แสดงว่าสติเรากําลังอ่อน อ่อนกำลังลงแล้วก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้มีอุเบกขาให้มากขึ้นพอใจสงบมีอุเบกขามากขึ้นความอยากความเครียดที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปความอยากก็จะสงบตัวลงไปแล้วต่อไปเราก็จะชนะความอยากต่างๆได้ความอยากก็จะไม่สามารถที่จะพาให้ แต่เรานี้ต้องไปเสดต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสาะให้เราไปเกิดในกามาภพให้เราไปหาความสุขของรูปประชานให้เราไปเกิดในรูปภพให้เราไปหาความสุขจาการูปประชานให้เราไปเกิดในอรูปภพเมื่อเราไปเกิดในภพต่างๆแล้วเดี๋ยวกําลังของสิ่งที่พาให้เราไปเกิดนั้นมันอ่อนกําลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมา่แล้วก็มาแสวงหาความสุขจากกามคุณห้ามาหาความสุขจากรูปฌานมาหาความสุขจากเรารูปฌานใหม่มันก็จะทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงจนกา่ที่เราจะได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบว่า ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความหลงที่ไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นของเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับสั่งได้นั่นเองคือไปหลงหาความสุขอยากสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แก่ความสุขจากกามมาคุณห้าความสุขจากรูปฌานและความสุขจากสั้วรูปฌานเมื่อได้รับได้ยินได้ฟังคําสอนของผู้เจริญแล้ว ถ้านำมาไปปฏิบัติได้ก็คือไปหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดกามาตัะหาหยุดภาวะตันหาหยุดมิภาวะตันหาได้ความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใจที่คยหิวคอยโหยหิวโหยด้วยความอยากมันก็จะกลายเป็นใจที่อิ่มใจที่พอเวลาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถูกกาจัดให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะ อิ่มจะสุกไปตลอดความอิ่มใจสุกใจไปตลอดนี้เราเรียกว่านิพพานังบามังสุขขังนีง่ความใจที่มีความมีบำลมนสุขความสุขที่เกิดจากการได้กําจัดความอยากต่างๆที่พาให้มาวินว่ายตายเกิดในตายพบนี้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปใจก็จะอยู่ในนิพพานนั้นไปตลอด ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดเพราะเหตุที่พาให้มาเวียนไหวตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี่เองได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแต่เมื่อได้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่ากามก็ดีรูปฌปานก็ดีรูปฌปานก็ดีล้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปหามันแล้วไปติดมันแล้วก็จะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเลิกเสพได้ก็กลายเป็นคนที่พ้นจากการไปติดยาเสพติดคนที่พ้นจากยาเสพติดแล้วก็สบายไม่ต้องเป็นทาสของยาเสพติดอีกต่อไปคนที่พ้นจากการไปเสพรูปรูปเสียงกินลดคนที่พ้นจากการไปเสพรูปประชานและรูปรูปประชานแล้วก็เป็นคนที่เป็นอิสระไม่ได้เป็นทาสของของกามขุนห้าไม่ได้เป็นทาสของ รูปรชาและของอรูปปรชาญต่อไปนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตัสาวกทั้งหลายท่านเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากไปเสษไปหาความสูงนั้นล้วนเป็นไตลักล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วขา่าวเวลามันเสือ่อมเวลามันหมดไปก็ปล่อยให้ใจรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวรู้สึกหิวรู้สึกอยากขึ้นมาใหม่ อยากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเศษเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอวิธีที่จะทําให้เกิดความอิ่มความพอก็คือต้องหยุดความอยากนี้เท่านั้นต้องหยุดเศษมันทําเมื่อหยุดเศษแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปอันนี้แหละคือภารกิจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามากระทํากันเป็นการวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากโลกธระททั้งสี่คือาลาภยศสรลเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ให้มาหาความสุขจากการหยุดความอยากต่างๆด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิและถือศีลถือศีลแปดเพื่อที่จะได้คอยห้ามไม่ให้ใจไปเสพกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อทําใจให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาให้มีกําลังที่จะต่อต้านกับความอยากแล้วก็เอาปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เมื่อเราเห็นเห็นด้วยปัญญาแล้วแล้วเรามีอุเบกขามีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้ เราเกิดความอยากจะเสบนั่นเสบนี้เราก็หยุดเราก็ฝืนมันได้พอเราฝืนมันไปต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหมดกําลังลงไปเลื่มันก็จะไม่มาสร้างความความทุรนทุรายความหิวความอยากให้กับเราอีกต่อไป mm hmm. นี่แหละคือภารกิจที่เราที่เราควรจะพึงกระทากันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาถือศีลแปดมาพิจารณา ปัญญากันพิจารณาอัภัยรักกันาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวการไปยึดไปติดไปเสพมันแล้วจะต้องทุกข์เพราะเวลามันหมดไปมันจากเราไปมันก็จะทําให้เรารู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเท่าสร้อยหงอยเงาเนี่พยายามฝึกไปปฏิบัติไปต่อไปใจของเราก็จะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ มีกำลังซึ่งกว่าความอยากความอยากมันก็จะออดหมดกำลังไปมันก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะมาสร้างความรู้สึกหิวโหยรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่ไปใจของเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอไปตลอดนี่คือเรื่องราวของการปฏิบัติในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูรากะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานังอุปกปติอ oh ิชิตังปัตชิตางตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปะนะระโสยะามณนีโชติอระโสยะาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติขายุโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่จากทาง Facebook 506 YouTube พระสุชาติไลฟ์364 y o u t u b ดรวี105ขับ h ฮ u s ์7วิทยุออนไลน์9หน้ากุติ260รวม 1,251 ค่ะ มีคำถามก็ถามได้เลยครับคำถามจากคุณพิสนุกลับนรัสการพระอาจารย์ครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าผู้ปฏิบัติท่านใดมีภูมิธรรมระดับใดเพราะผู้แสดงธรรมบางท่านจะบอกว่าเขาอยู่ภูมิระดับโสดาบันหรือมากกว่านั้นกลับนรัสการครับถ้าเราไม่เป็นเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นหรือเปล่าลเราต้องเป็นเองก่อนแล้วก็ต้องคุยกันถึงจะรู้แน่นอน ถ้าไม่คุยกันนี่ยังยังไม่รู้นอกจากว่าเรามียาอย่างทราบสามารถมองใจของเขาได้เห็นใจของเขาได้เราก็จะรู้ว่าใจเขาเป็นย่งไรแต่ได้เห็นเพงแต่นหน้าตาหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นโสดาบันหรือเป็นปุถุชนก็ยังหน้าเดิมอย่ต้องคุยกันเหมือนการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราจบชั้นไหนแล้วเราก็คุยกับคนที่เขาจบชั้นเดียวกันเราก็จะรู้ว่าเขาจบหรไม่จบ คำถามจากคุณรัสเวลานั่งสมาธิแรกๆมีความปวดและคันมากนั่งท่องพุโทโธพุโทโธต่อไปเรื่อยๆก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลาคันตลอดย้ายไปย้ายมาแต่ใจไม่ได้ทรมานเหมือนตอนแรกๆแต่รู้ว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นตลอดแต่ก็พยายามพุโทโธต่อไปอีกอยากสอบถามคขาว่าแบบนี้เป็นวิปัสสนาหรือเป็นแบบขันติคะเป็นใช้สติ ถ้าเราใช้พุโทโธพุธโทโธนี่เป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้เป็นอูเบกดขาถ้าใจนอูเบิดขาวางเฉยได้แล้วใจก็จะไม่เดือดร้นอนสำหรัก า, การเจ็บต่างๆคำถามจากคุณหนึ่งรือไทยขอเรียนถามว่าในชีวิตประจำวันที่ยังต้องทำงานพบเจอผู้คนและสถานการณ์ต่างๆจะต้องวางใจอย่างไรให้ถูกต้องถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอุเบกขาเจ้าคะ ก็วางใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาทำไปเราก็จะเลื่เดือนนัองจังคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอกราบเมตตาเรียนถามระหว่างกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกรรมชนิดใดบาป ท, ที่สุดเจ้าคะ อ๋อมโนกรรมนี้เป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวรับผลแต่มโนกรรมนี้ถ้ายังไม่มีวจีกรรมหรือยังไม่มีกายกรรมผลมันก็ยังไม่เกิดบาปก็ยังไม่เกิดบุญก็ยังไม่เกิดถ้ามีแต่เพียงมโนกรรมคือความคิดคิดทำบุญแล้วไม่ได้ทำบุญนี้ก็ยังไม่ได้บุญถ้าคิดทำบุญแล้วตไม่ไปทำบุญเมื่อทำบุญแล้วก็จะได้ผลของบุญเกิดกันในใจเช่นเดียวกับถ้าคิดทำบาปแล้วไม่ไปทำบาปผลก็ยังไม่เกิด แต่ถ้คิดทํำบาปแล้วไปทําบาปผลก็จะเกิดตามมาต่อไปคำถามจากคุณชวนชมพระปัจเจกพระพุทธถือเป็นโพธิสัตว์ไหมเจ้าคะไม่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วีแต่ว่าท่านไม่สอนใครท่านให้อะไรเป็นพระปัจเจกสไปถ้าสอนก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคําถามหอดเจ้าค่ะ ก็พอดีเสียงมันดังมากเพืเจ้าไม่ค่อยได้ยินเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คิดนขอขอยุติการสนมนานกันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนอมเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิสิตเรนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ